1 9ความอิสระเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนคนแต่ละคนจึงมีสิทธิที่จะมอบความอิสระให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้เพราะความอิสระเป็นของตนของตนแต่ละคนอย่างแท้จริงส่วนใครจะมอบอิสระเสรีภาพของตนให้แก่พระเจ้า ก็เป็นความอิสระของผู้นั้นเขาพึงทำได้เพราะความอิสระเป็นของเขาดังนั้นจึงมีคนไม่น้อยเลยในโลกที่ไม่ยอมมอบอิสระเสรีภาพของตนให้แก่พระเจ้าแม้จะมีคนกว่าครึ่งข้อนโลกเชื่อว่าพระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดในโลก มีอำนาจยิ่งใหญ่ครอบจักรวาลเหนือสปปรรพสิ่งทั้งปวงในเอกภพมีอำนาจอยู่เหนือชีวิตคนจึงมีคนที่มอบความอิสระของตนให้แก่พระเจ้าบรรดาลแต่ก็ยังมีคนในโลกอีกมากที่เห็นว่าความอิสระเป็นของตนของตน พระเจ้าจะมาริบเอาความเป็นอิสระของตนไม่ได้ตนมีสิทธามกรรมสามกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนเองตามอิสระเส ร, รีภาพของตนไม่ยอมให้พระเจ้ามาควบคุมกรรมหรือบงการกรรมของตน ความอิสระจึงคือแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนเองความอิสระของคนนี้แลใหญ่ยิ่งนักมันอิสระยิ่งใหญ่จนกระทั่งพระเจ้าไม่สามารถบงการคนแต่ละคนมีอัตตาหรืออาตมาลของตนเอง มีอิสระเสรีภาพเป็นของตนเองโดยแท้คนจะดีคนจะพ้นทุกเพราะตัวเขาเองทำเองด้วยตัวเองเพราะคนทุกคนมีอัตภาพหรือมีอัตตาเป็นของตนเองอัตตาหรืออาตมันตัวนี้แหละ ที่คนจะต้องเรียนรู้จากรู้แจ้งรู้จริงภาวะแห่งความจริงนี้ให้ได้แล้วจึงจะเห็นแจ้งแทงทะลุถึงขั้นบรรลุสัจธรรมว่าอาตมันหรืออาตานี่เองคือตัวการในการสร้างชั่วสร้างดีสร้างทุกข์สร้างสุขในความเป็นมนุษย์ขึ้นมาให้แก่ตน แก่สังคมจริงๆไม่ใช่พระเจ้าบงการคนให้ทํอาอัตตาหรืออาตมาคือตัวของตัวเองในความเป็นมนุษย์แต่ละคนทั่วทั้งโลกซึ่งอัตตาหรืออาตมัาไม่ใช่ของพระเจ้าขออาภัยความจริงใจของอาตมาเห็นอย่างนี้จริงๆ